พระเจ้าวิเทหราชตร ถ, ถามอาจารย์เสนกะว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์เสนกะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้อาจารย์เสนกะกราบทูลสนองว่าพวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตู หรือจงจับมีดฆ่ากันและกันละชีวิตเสียพลันอย่าทันให้พระราชาพรหมทัตข่าพวกเราให้ลำบากนานพระราชาตรัสถามปุกกกุสะว่าท่านจงฟังคานี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์ปุกกกุสะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้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 พระเจ้าวิเทหราชทรงคร่ำครวญกับมะโหสถบัณฑิตว่าบุคคลสแสวงหาแก่นของต้นกล้วยย่อมไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายสแสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์ก็ย่อมไม่ประสบปัญหาคืออุบายพ้นทุกข์นั้นฉันนั้นบุคคลสแสวงหาแก่นแห่งไม้งิ้วย่อมหาไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายสแสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์ ย่อมไม่ประสบปัญหาคืออุบายพ้นทุกนั้นฉันนั้นการอยู่ของช้างทั้งหลายในสถานที่ไม่มีน้าชื่อว่าอยู่ในที่มิใช่ประเทศฉันใดแม้การที่เราทั้งหลายอยู่ในที่ใกล้ของมนุษย์ชั่วเป็นคนผ่านหาความรู้ไม่ได้ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่มิใช่ประเทศฉันนั้นใจของเราสัน่นและปากก็แห้งผาก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 หรือดุดนกติดอยู่ในกรงหรือดุดเหล่าปลาอยู่ในไายผู้มีพลและพาหะคุมล้อมอยู่ให้พ้นจากความลำเค็นข้าพระองค์จักยังกองทัพปัญจาละให้หนีไปดุดไล่ฝูงกาด้วยก้อนดินอมรทผู้มิได้เปลื้องพระองค์ผู้ทรงตกอยู่ในที่ขับขันให้พ้นจากทุกข์ชื่อว่าปัญญาของอมรนั้นจะมีประโยชน์อะไร หรืออเมตผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรพระมหาสัตว์สั่งพวกโยธาทั้งหลายว่าแน่พ่อหนุ่มๆพวกเจ้าจงลุกมาจงเปิดประตูอุโมงประตูห้องเครื่องยนต์พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเหล่าอเมตจักเสด็จไปโดยอุโมงพระศาสดาตรัสว่า พวกคนรับใช้ของมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของมโหสถแล้วจึงเปิดประตูอุโมงค์และเครื่องสลักห้ามอันประกอบด้วยยนต์เซนกะเดินไปก่อนมโหสดเดินไปข้างหลังพระเจ้าวิเทหราชเสด็จ ด, ด, ดำเนินไปท่ามกลางพร้อมด้วยอามาทห้อมล้อมเป็นราชบริพานพระเจ้าวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงค์ขึ้นสู่เรือแล้ว มโหสถรู้ว่าพระองค์ขึ้นสู่เรือแล้วได้ถวายอนุสา t ว่าข้าแต่สมมุติเทพผู้นี้คือปัญจลราชกุมารโอรสของพระเจ้าจุลนีผู้เป็นพระสสุระของพระองค์ข้าแต่พระจอมประชากรพระนางนันทาเทวีนี้เป็นพระสัตสูของพระองค์การปฏิบัติพระราชมารดาของพระองค์อย่างใด จงมีแก่พระสัตว์สูของพระองค์อย่างนั้นข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่พระเชษฐาพาดาร่วมพระอุทธรพระมารดาเดียวกันโดยตรงของพระองค์ทรงรักใคร่อย่างไดพระปัญจาลจันทราชกุมารพระองค์ควรทรงรักใคร่อย่างนั้นพระนางปัญจาลจันทีนี้เป็นพระราชบุตรีของพระเจ้าพรหมทัตที่พระองค์ทรงปรารถนา พระองค์จงทําความรักใคร่ของพระองค์แก่พระนางพระนางจงเป็นพระมเหสีของพระองค์พระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าแนะมโหสถเจ้าจงรีบขึ้นเรือเจ้าจะยืนอยู่ริมฝั่งคงคาทําไมเนาะเราทั้งหลายพ้นจากทุกข์แล้วโดยยากจงไปบัดนี้เถิดพระโพธิสัตว์กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าการที่ข้าพระองค์ผู้เป็นนายกแห่งเสนามาทอดทิ้งเสนางคณิกรเสียเอาแต่ตัวรอดไม่เป็นธรรมข้าพระองค์จักนำมาซึ่งเสนางคนิกรในราชนิเวศกรุงมิถิลาที่พระองค์ละไว้และสิ่งของที่พระเจ้าปรงมทัตประทานแล้วพระราชาตรัสว่าแน่บัณฑิต เจ้าเป็นผู้มีเสนาน้อยจากคมพระเจ้าจุลนีผู้มีเสนานมากตั้งอยู่อย่างไรเจ้าเป็นผู้ไม่มีกำลังจากลำบากด้วยพระเจ้าจุลนีผู้มีกำลังพระมหาสัตว์ทลว่าถ้าบุคคลมีความคิดแม้มีเสนาน้อยย่อมชนะบุคคลผู้ไม่มีความคิดที่มีเสนานมากได้ พระราชาพระองค์เดียวย่อมชนะพระราชาทั้งหลายได้ดุดดวงอาทิตย์อุทยัยกำจัดความมืดฉะนั้นพระราชาตรัสว่าแน่เซนาก า, ารย์การอยู่ร่วมด้วยเหล่าบัณฑิตเป็นสุขดีหนอเพราะว่ามโหสดปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือข้าศึกดุดบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในขายฉะนั้นอาจารย์เสนกะกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายนำความสุขมาแท้จริงอย่างนี้ทีเดียวมโหสดปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมือข้าศึกดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงหรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในขายฉะนั้น